นิทาขุนาบุคตาบุเบคาแปลว่าทําด้วยพระมเหหารสี่นี้ทำตามคำสอนของพระสมาสมาทรงพระเจ้าผู้เจตนารมดีในบุญกุศลในภาพในทานในสิ่งในภาวนานั้นๆเราจะทำไรให้สิ้นถู ด, ด้วยเจตนารมเกินไปในบุญแรงก้าคือความปัจจันาดีดังนั้น ท่านนี้จัดว่าเป็นธรรมะที่ปฏตยักระจะได้บุญเต็มแปดมื่อสี่พัน 4, พระธรรมขันธ์ทังโรกจะยกย่องมา ย, ยกย่องก็ตามว่าดีไม่ดีก็ตามบ่าวร้ายก็ตามไร้ศีก็ตามไม่เสียใจเมื่อเขายกย่องไม่ดีใจไม่พื่งใจมีแต่ว่าพึ่งด้วยบุญบุญส่วนตนได้บริจาคหรือกระทำไปแล้วหรือได้รักษาศีลไปแล้ว าไปแล้วจะกระทำต่อไปให้ยิ่งยิ่งไปเท่านั้นจึงจะว่าเมื่ออะไรจนถึงมรรควันไหนเวลาใดเดืเอนใดปีใดทั้งนี้จะว่าเยตนารมดีเป็นไปในบุญอรรเดสามารถุนนั้นจะมาอุ้มชูให้ผลจากวอมทุกใบเป็นคำทั้ ง, งนี้ถือว่าผู้ปฏบเป็น ของพระพุทธเจ้านั่นเองคำนั้นแปลว่าคำส อ, สอนว่าพพุทธเจ้าว่าพราองแท้ที่สุสนาแล้วเมื่อนั้นนั้นว่าบาทนี้คุณมีสวรรค์นรกนิพพานมีคนทันดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนี้หรือว่าจะเป็นข้ามาที่ประยยะกางมุ่งทำเป็นใหญ่บรรได้นในสองมานันต ได้แล้วออาแล้อดธรรมดาครับไม่ถ้าไปเอาจ้างงานทีมันจะได้มากอยูงใช่ไหมต้องใช้เงินไป